เห็นแล้วทูอย่างในบรรดาที่แสดงออกมาเป็นที่แน่ใจากผู้เทศผู้สอนไม่มีความสนใจในการแสดงออกมาเพระนาะฉะนั้นผู้ฟังจึงได้ผลได้ผลดุเต็มกำลังของตนเหมือนกับเราไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆด้วยตาของเราด้วยหูของเราอยากชทติแต่เป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่ไม่สําคัญสําคัญที่ได้ยูได้ห็นด้วยตาดีหุนคนอื่นนำสิ่งนั้นเรื่องนั้นมาพูดย่อมพูดได้อย่างอาถานพูดได้ตรงกับความจริงมากิดกัได้ยินคําบอกเล่ามาพูดธรรมของพระพุทธเจ้ามาสมัยปัจจุบันนี้เป็นศาสนาบอกเล่ามาแล้วเป็นธรรมบอกเล่าเทียงบอกเล่ากันมาเลยหาพูดรู้ความจริงไม่มี เพราะฉะนั้นถึงทําแม้จะมีน้ําหนักมากเพียงไรตามหลักธรรมช า, าติั้งผนก็ตามแต่อาศัยผู้นํามาไม่แน่นอนภายในปิตใจออกมาแสดงเรื่องความไม่แน่นอนนั้นจะให้ผู้ฟังแน่นอนได้อย่างไรนั้นดูที่ตรงนี้เมื่อผู้แสดงก็ไม่แน่ใจผู้ฟังจะเอาความแน่ใจมาจากั้นผลแห่งความไม่แน่ใจทั้งผู้เทศผู้ฟังก็คือ ไม่ได้ผลเท่าที่ปวนนั่นเองเลิกกลายเป็นเรื่องเทศเป็นพิธีฟังเป็นพิธีไปเสียทั้งโภตการท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเทศก็ดีพระสาวกเทศก็ดีเทศทอดออกมาจากใจที่รู้จริงจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นแค่นั้นผู้ฟังก็ถึงใจเพราะเทศอย่างถึงใจเพราะรู้ความจริงอย่างถึงใจการเทศจะไม่ถึงใจได้ เทศมากเทศน้อยขนาดไหนลึกตื้นหยากเพียงไรเขออกมาจากความรู้แล้วเห็นแล้วทุกอย่างผู้ฟังจึงได้รับผลรับประโยชน์เป็นความหนักแน่นภายในจิตใจขณะที่ฟังมีต่างกันดังนี้ความคัง่งบริการกับสมัยทุกวันนี้ต่างกันอย่างไรคือต่างกันตรงนี้เองฟังว่าส่วนขาธรราตรัสชอบแล้วเนี่ย ผู้ปฏิบัติชอบแล้วยังหนั ก, นกตนนัวมันและรู้ชอบตามหลักธรรมมันแล้วยังถ้าปฏิบัติไม่ชอบรู้ไม่ชอบเนี่ยจะแสดงออกมาด้วยความชอบทำได้อย่างไรผู้ฟังจ ะ, จะได้รับผลได้รับประโยชน์ให้เต็มไม่เต็มหน่วได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ท่า น, นขอให้ทุกองค์ทุกทา่านดต่างใจประพฤติปฏิบัติให้เห็นความจริงภายในตนเอง ดังพระพุทธเจ้าและสาวรุ่ทั้งหลายที่ท่านรู้ท่านเห็นมาตั้งแต่ครั้งปุะสบการณ์เพราะการปฏิบัติมีปฏิบัติทอบเท่านั้นที่จะสามารถลื้ฟื้นธรรมของจริงขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้ประจักษ์จัดเพราะธรรมทั้งหลายไม่อยู่ที่ใดใจเป็นภาชนะอันสําคัญสําหรับรับรองธรรมได้อย่างเป็นเมตตาหนุย่ยดินท้าอากาศก็เป็นดินท่าอากาศไปโลกก็เป็นโลกไป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 เป็นรูปายวิธีที่จะรื้อถอนสิ่งปกคลุมอู้มโห ง, หงจิตใจออกได้ถ้าปฏิบัติไม่ชอบอย่างไรก็ไม่ได้ไม่มีทางเพราะไม่ถูกกับหลักมัชชิมาคำหลักมัชชิมา ก, ก็คือความเหมาะสมการปฏิบัติเหมาะสมควรจะแก้พิเลตประเภทใดได้ก็แก้ได้ตามความเหมาะสมอย่งการปฏิบัติจึงยกถึงเรื่องสัมาพิสิทิสัมมาสังกับโป เป็นอโอปัญญาให้มีความจเจ้เลี้ยวฉะลาคิดหลายแนย่หลายสารหลายคม อ, อุบายวิธีการแก้ไขต่างๆต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายแน่หลายแต่ฐมไม่นั้นไม่ไมทันกับพิเรศซึ่งมีความแหลมคมอยู่มากภายในใจิตใจของเรามีธรรมะเท่านั้นที่สามารถจะปราบปรามพิเรศได้ธรรมะเครื่องเครื่องมือที่จะปราบปรามพิเรศก็คือสติปัญญาเป็นหลักสําคัญมากที่เดียว มีได้ปฏิบัติมาเป็นกําลังความสามารถไม่เห็นอันใดยิ่งไปกว่าสติปัญญามีศรัทธามความภาคเปลี่ยนเป็นเครื่องหนุนหลังสติปัญญาเป็นเครื่องบุกบิกพิจารณาอะไรถ้ามีสติมันก็รู้ได้ชัดมีปัญญาสอดส่องมองทะลุไปได้ไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งเห็นไปได้ด้วยาำลับอันนี้ขังพุทธการกับขั้งนี้ มันต่างกันดังที่ว่ามันคือผู้ปฏิบัติก็กลายเป็นเรื่องี่ธีไปเสียสัพแต่ว่าปฏิบัติสัพแต่ว่าเรียนไม่เรียนด้วยหวังความรู้จริงเห็นจริงในทําทำแล้วประพฤติปฏิบัติตามการที่ศึกษาเราเรียนมานั้นเพราะฉะนั้นเรียนได้มากน้อยจริงไม่กระเทือนยิ่เหล็อแม่นิดเดียวเลยหนังทะลอกตั้น่หนึ่งก็ไม่ได้ ยิ่งเรียนมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นการสังสมกิเลสมากเพื่อความสําคัญของตนว่ารู้ว่าฉลาดได้เรียนอัดเรียนทำ ม, มามาก mm. นี่แหละความกลายเป็นกิเลสขึ้นมาเป็นที่ตรงนี้ด้วยความสําคัญของตนเองถ้าเรียนเพื่อจะรู้อัดรู้ทำจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นเรียนรู้ตรงไหนจุดใดบทใดบาดใดนําไปพิจารณานํนานไปแก่กองจนเห็นเหตุเห็นผลความลึกซึ้งอยายละเอียดแห่งบทธรรมนั้นๆผู้นั้นแหละชื่อว่าผู้ ปริยัตเพื่อปฏิบัติริงนทีนี้ปฏิบัติก็มีความจดต่อต่อเนื่องกันด้วยควอมปฏิบัติที่ถูกชอบจริงๆนี่ก็เป็นบากฐานเพื่อปฏิเวทะคือความรู้แี่แข่งตลอดให้ทําโดยลําดับลาดับคําว่าวิยปฏิเวธะทำนี่มันหมายถึงจะรู้ทีเดียวพวดพลาดให้เสร็จหมดเลยคือรู้ไปโดยลําดับลาดับ ตามกำลังของสติปัญญาศรัทาความเปลี่ยนของตนตลอดถึงความรู้แจ้งนี้จริงทั่วถึงในจิตใจนี้ไม่มีอนันใดลี้ลับอันเยาะหยารู้ตลอดทั่วถึงผู้ปฏิบัติอย่ามองที่อื่นใดให้นอกเหนือไปจากใจซึ่งเป็นตัวสังสงกิเลสหรือเป็นโรงงานผิดกิเลสเป็นส่วนมากยิ่งกว่าจะผิดธรรมให้มองดูตรงนี้อย่าไปค่าสถานที่นั่นที่นี่การไม่ร่าเวลา หรือผู้ใดจะมาช่วยเราให้ตั้ง อ, ตอัตตาเหตุตัณนาโธเป็นที่พึ่งของตนตนนั้นแลเป็นผู้จะถอนกิเลสเพราะการสั่งสมกิเลสไม่ได้มีผู้ใดมาสั่งสมให้เราเป็นคนสั่งสมเองมาตั้งแต่ไหนเมื่อเมื่อไรไม่อไร่ว น, นี้เราจะคว้ให้ผู้ใดมาตออถอนกิเลสประเภทต่างๆให้เหราตขาตาโรตถาคาตาพระพุทธเ จ, จ้าสังสอนเอาไว้ตุมแห่หิต จ, จังอตัตตปังความเพียร เป็นเครื่องแบบเผากิเลสให้ท่านทั้งหลายทําทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกอุบายแนวทางเท่านั้นการทํางานเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะทําเองนี่นท่านสอนไว้อย่างนี้นี่เราก็เป็นลูกศิษย์ทศขาคตรประหนึ่งว่าได้รับโอวาทของพระองค์อยู่ทุกปัตต์ด้วยจัตรธรรมที่แสดงอยู่กับตน ตาตัณ ง, งตาประพฤติปฏิบัติกรรมใจกิเลสประเภทต่างๆซึ่งย้วนแล้วแต่เป็นภัยทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเป็นคุณต่อจิตใจของคนของจักมีแต่เป็นโทษเท่านั้นมากน้อยขอตา่างและมไม่มีใครที่จะรู้อย่างถึงจิตถึงใจเห็นโทษเห็นคุณอย่างชัดเจนเหมือนพระโพธิเจ้าเหมือนพระสาวุภะราหันท่านท่านรู้ทั้งโทษทั้งคุณของกิเลสและของธรรม ท่านจึงนำมาสอนด้วยความตุกตั้งแน่นยานสอนใครก็เมื่อต่างคนต่างมุ่งความจริงอยู่แล้วทําไมจะไม่เข้าใจและทําไมจะไม่ดูติดในธรรมที่กานสอนเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่มีรสชาติเหนือสิ่งใดในโลกครับไปสร้างธรรมะโซคินาปเนี่ยรสแห่งธรรมะนัรสทั้งปวงนั่นทามาทั้งปวงก็หมดธรรมมีมีรสมีชาติอย่างนั้นถ้าปฏิบัติให้มีรสมีชาติ หูมีตามีให้ดูผู้มาศึกษาอบรมอย่าพอยฟังแต่ครูวาจานจะบอกจะกล่าวแนะนำสั่งสอนลื่ขึ้นสมาครหน้าโมเดลศาสตร์ที่วัดเทพผู้มาใหม่ค่อยดูผู้อยู่เก่าผู้อยู่เก่าทํายังไงให้สังเกตดูหูมีตามีให้ดูให้ฟังนั่นเป็นการศึกษาอยู่ในตัวครูวาจาย์สอนเป็นอีกอย่างเราศึกษาจากจากคณะที่ ทำถูกต้องอยู่แล้วนั้นเป็นอีกอย่างเกี่ยงข้อวัดปฏิบัติตอนเช้าตอนเย็นมีการทำอย่างไรบ้างเราอยากถือว่าเราเป็นพระอาคารตุ ก, กะเราอยากถือว่าเราเป็นพระแขเราเป็นพระของพระพุทธเจ้าด้วยกันเป็นพระลูกศิทยธถาโพดเหมือนกันหน้าที่การงานข้อวัดปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราจะต้องทำเพื่อการจัดกิเลสด้วยกันไม่มีอะไรผิดแปลกกัน ทางการมาศึกษาให้ศึกษาดีตั้งนาต่งตางๆประพฤติปฏิบัติทั้งกิจภายนอกทั้งงานภายใ น, นคือจิตตะภาวนาทำให้ถึงเหตุถึงผลถึงความจัตความจริงเรื่องมรรคผลนิพพานจะพ้นอำนาจของความเพียร น, นี้ไปไม่ได้ไม่ว่าสมัยใดๆมรรคผลนิพพานต้องปรากฏขึ้นได้เพราะความเพียรของผูไม่ท้อถอย การพึกหักอบรมพราวนาผู้เริ่มต้นยังไม่เข้าใจใน ร, ร่วงพาวนาเราสังเกตบทธรรมบ ท, มบทต่างๆที่เรียกว่ากรรมฐ า, านฐานที่ตั้งแาน ง, งานคืออะไรสอนเจศาโรมาโรมานะะาขาทังตาตะโจตั้งแต่วันบรรพชาทึ้บท ม, มานั้นมีความหมายอย่างไรโลกนี้ติดผมขนเล็บฟันหนังเหล่านี้เป็นสำคัญ ท่านถึงสอนเรื่องผมเรื่องขนเรื่องเล็บเรื่องฟันมันมีทุกพัรร์ทันตามีเป็นของที่น่ารักน่าจอบใจที่ตรงไหนนอกจากเป็นของประเดณเโลกธรรมชาติสมันี่แล้วเท่านั้นมันระทั่งไปถึงหนังคนเราเมื่อไม่มีหนังแล้วดูกันไม่ได้ฮะความสวยงามมันมีเลย้นะผู้หญิงผู้ชายจะเป็นชาติท่านบรรณะไหนก็ตามคนเราเมื่อไม่มีหนังแล้วดูกันไม่ได้ท่านสอนไปเพียงหนังเพราะเวลานั้นเป็นเวลาที่ จำเพาะซึ่งไม่ควรจะสอนอะมากมายแต่อย่างไรก็ตามตาโจนั้นหนังครอบหมดในอาการสามวิสองถ้าหลบหนังออกลำมือซี่คนดูได้ไหมดูไม่ได้ทั้งหญิงทั้งชายเล่มมองดูแล้วเป็นของปฏิกูลหน้าเปียดหน้าเบื่อหน้าหนาเสียทั้งหมดที่เกิดความรักความชอบกันก็เพราะ ม, มีหนังหุ้มหอนั่นเองหลงถิวบางๆเท่ากระดาษนี่เท่าใบรานนี่ก็ไม่ได้ เวลาเจอเราโง่ขนาดไหนมนุษย์เรก็รู้อยู่แล้วว่าผิวบางๆตอนนั้นเป็นเครื่องหลอกตาก็ออยังเชื่อเข้าไปข้างในนั้นเป็นฟุโพโลหิตน้ำเนอกน้ำหนอ ง, นอ ง, นองเต็มไปหมดด้วยของประฏิพูนยนยิป่าชาพีดิเราพิจารณาอย่างนี้ทั้งครับพิจารณาเข้า พ, พิจารณาออกไร้ตลบทบทวนทําไมจะไม่เข้าใจตามความจริงเพราะความจริงมีอยู่เป็นประจำในแต่ละบุคคลบุคคลไม่พิจารณาอย่างนี้น นั้นพูทจะปจปาจาขยายออกไปถึงอาการสานที่สอ ง, องการใดก็แล้วแต่ความถนัดในขณะที่ภาวนาให้กําหนดจะ ก, กําหนดพุดโทโธเป็นคําบริกรรมทำโมสังโโก็ได้เวลาจะกําหนดอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ได้ลมนั้นสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่ากาันเป็นด่างจมูกสัมผัสลมสัมผัสมากกว่ากาันก็ให้ทำความรู้ไว้ทีนั้นตั้งสติไว้ที่ตรงนั้น ให้รู้เวลาลมผ่านเข้าผ่านออกรู้อยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปคาดไปหมายถึงเรมรกผลที่ผ่านใดๆนอกเหนือไปจากงานที่กําลังทําอยู่ในเวลานั้นเรียกว่าในวงปัจจุบันยิดเมื่ออาศัยสติคอยควบคุมให้ทํางานอยู่เสมอก็ไม่สาดแสบไปในที่อื่นย่อมตั้งหน้าทําการทํางานแล้วก็จะเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อเป็นความสงบขึ้นมาแล้วความสบายความ เย็นไม่ต้องพูดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ต้องปรากฏ ข, ขึ้นจากความสงบนี้ก่อนอุนขอให้พากันที่นี่เพื่อเรียนอะไรแต่ทรงมกักทรงผลอย่าให้ยินแต่ ข, าข่าวว่าครังพุทธกาลอง์นั้นทั้เด็ดอยู่ที่นั่นตั้มเด็ดพระโสดาสกิธานาคาอรหันต์อยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอยู่ในเขาลงนั้นองนั้นอยู่ในป่านั้นแล้วขาเราไม่มีอะไรเลยมีแต่ขี้หมูลาขี้หมาแห้งเต็มตัว เพราะความเพียรไม่เป็นท่าศรัทธาไม่มีผลประโยชน์จะเกิดขึ้นได้อย่างไงก็เลยมีแต่ศาสนาข่าวค้าฟังแต่ขา่ขาวคนอื่นขา่ขาวของตัวไม่ไม่ไม่ได้เรื่องตั้งแต่ข่าวขาวึ้นไปสวรรค์มีพานกันข่าวเรามีแต่จมอยู่กับนรกคือความรุ่มร้อนของใจตลอดเวลาความรุ่มร้อนแม้แต่เป็นขึ้นมานิดหน่อยมันก็ยงังเป็นความทุกข์ไม่ใช่น้อนเพราะที่จะไปนี่นอนใจได้อย่างไร พจถ้าการปฏิบัติยังมีมาผลนิพพานก็ยังมีคือมาผลนิพพานนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี่เท่านั้นไม่ ข, ขึ้นกับการสถานที่เป็นสําคัญยิ่งกว่าการปฏิบัติแต่สถ า, านที่ที่บําเพ็ญนั้นย่อมอำนวยความสะดวกให้แก่การบําเพ็ญได้ดังพระพุทธเจ้าทรงสอนใน ล, ลุคโมราเซนาสนัชมิซาโยกปะส ชาตัสเตยาวัชังสร้างหูการโน้นล่มไม้ชายเขาลุกข ม, มืในป่าก็หงุยิ้มเขาที่ตรงไหนเป็นที่สะดวกสบายแกการประกอบความเพียรก็ให้เธอทั้งหลายไปอยู่ในฐานที่นั้นไม่ปุกบขั้นหุ่นาบสะดวกแกการมันเพียมเพียรนักคือเป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรของเราได้ดีแต่อย่าลืมว่ากิเลสนั้นอยู่ภายในจิตใจไปยืนในป่าถ้าความเพียรไม่มีสติไม่เป็นท่า ก็เหมือนกับกระรอกกระแตที่เขาอยู่ในป่าก็ามีนิจเจ็บวิโสอันใดที่พระจ้าทรงสอนนี้เพื่อสนับสนุนถึงเรื่องความเพียรท้องเหล่าที่ดีอยู่แล้วให้รับความสะดวกยิ่งขึ้นไปอำเนวยความสะดวกมากขึ้นจนถึงขัน้นบรรลุได้ในธรรมขั้นต่างๆทัื่อส้งถึงอัตถาตผล ส, สดสดร้อนๆอยู่กับธรรมของพระย้าบรรดาไม่เปลี่ยนผันไม่อยู่ในที่อื่นใด้ดูด้วยกันกับธรรมของพระเจ้าคือส่วขาตธรรม ท่านตรัสไว้ชอบแล้วขอให้ปฏิบัติให้ชอบเถิดเริ่มมาผลนิพพานไม่มีผู้อื่นใดที่จะมีอํานาจวาสนามากี่กันหวงห้ามไม่ให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นได้รับผลเป็นที่พึงใจนอกจากกิเลสภายในหัวใจของเราเท่านั้นมันกั้นกลางไม่ให้เรารู้เราเห็นมาผลนิพพานบ้างเพราะเราเชื่อมันเราลืมตัวเราหลงมันกุลมายาข้างหลังมีมากขึ้นแต่ทำความภัพเปลี่ยนเรื่รรรอยๆเามันก็แสดงอุปสรรค กีดขวางก็มาเสียทําให้ไม่เป็นเม็ดจํานหน่ยวยกลัวแต่จะล้มจะตายกลัวยังไม่หลับได้นอนกลัวจะเป็นความลําบากซึ่งล้วนแล้วทั้งหมดเป็นคนมายาของกิเลสเลยไม่เป็นท่าเป็นทาง mm hmm. ทีนี้เราก็กอดกรรมฐานีเฉยเพียสายเรามานะักฐานตาตาจโจอยู่ในตัวของเราเราก็พานั่งนอนนั่งนอนทับนั่งทับอยู่นะไม่ได้รลือกอะไรจากกรรมฐานตามที่ท่านสอนไว้ พลวัติพานก็จะเกิดขึ้นจากการพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้แล้วก็ไม่เกิดได้เพราะเราไม่รู้ชายเป็นองค์ัชจรรย์มากไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกนี้เลวก็เลวมากถ้ากิเลสพระให้เป็นในทางที่เลวกิเลสไม่ทําจิตใจให้มีคุณค่านอกจากจะทาให้ส่วนคุณภาพของใจลงไปโดยมาก ทำเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมจิตใจให้มีคุณค่าขึ้นโดยลําดับจนกระทั่งถึงมีคุณค่าอย่างเต็มภูมิเพราะนั้นเราไม่ได้มุ่งมหาอิเลี่ยนไม่มุ่งมาทำลายจิตใจของตงนให้ว่าคุณค่าลงไปเรามุ่งเพื่ออาจเพื่อทําเพื่อการส่งเสริมจิตใจให้มีคุณค่าขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงเต็มภูมิของใจที่มีคุณค่าตั้งหากเพราะฉะนั้นจงเห็นความจำเป็นต้องความภาคเพียรอย่าลดละอย่าท้อถอย มันปาดท่ามีอยู่ทุกอย่างทุกผนใครเกิดม า, า, ามันปาดท่ามันมาพร้อมไมไ่ไปที่ไหนเกิดตัวตัวไหนตัวเกิดตัวนั้นตัวตาเนี่ยตัวนั้นตัวคําข่าจะลาตัวนั้นตัวทุกตัวลาบากมันอยู่ที่นั่นหมดไม่อยู่ที่อื่นพอที่เราจะไปขาดลุ้นขาดนี้ตายทั้งหมดตายที่งน่้ทั้งนี้ทั้งนี้เดือนมันหลุดกับลมหายใจเ่อลมหายใจหมดไปแล้วมันตายได้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งหญิงทั้งชายท่าทา่านว่าอะไรแม่นิยม จะกระทั่งสินสักตายได้ทั้งนั้นเมื่อหมดลมหายใจแล้วเหตุ น, นั้นลมมีอยู่รู้อยู่ว่าเจ้าของเป็นคนยิ่งมีหนทางตัอะไราังเป็นพระมีหน้าที่การงานอันเดียวคือการพึ่ปฏิบัติกรรจัดที่เล็งอกจากภายในจิตใจโดยไม่ต้องมุ่นเหวี่ยมุ่นวากับมาดใดๆเลยควรที่เราจะก้ามักเข้มแนในงานของเราให้ถึงเป็นหน่วเห็นเหตุเห็นผลภายใจิตใจได้ส่งไว้ซึ่งมรรคผลยุทธภานดังทั้งพุทธการท่านส่งเพราะพ่อปฏิบัติอันดีองาม สุปฏิอุชุญ า, ญาสามิจิปฏิปนุนีน่แหละเป็นทางเดินเพื่อมรดผลนิพพานเป็นโมรุบุคนแปดก็มาถึงคนคนเดียวนั่นแหละจะเป็นผู้ทรง ม, มรงผลถึงนิพพานได้เฮสาพระโกโตสาวาสังโขนนั่นแหละคือสาวกอันแท้จริงของพระพุทธเจ้านี่คงเขาว่าไะ้อย่างนั้นาสาวกปลอมสาวกอันแท้จริงมาตั้ง ดูเป็ี่ยนใจนี้ก่อนให้ท่านมายาอธิบายหนิ่อเติก่อน